เรื่องส่งสิทธิ์ปราผีเมื่อครั้งท่านพระอาจารย์พำนักอยู่อำเภอโคกสีสุพรรณมีหลวงตารูปหนึ่งสมัยหนุ่มเคยเป็นโยมอุปถากท่านไปในมรสการและอยู่ปฏิบัติธรรมด้วยผู้เล่าน่งถวายงานพัดท่านพระอาจารย์ถามหลวงตารูปนั้นว่าเคยไปบ้านนาหมีนายุงไหมตอบว่าเคยคอรับกระผม เป็นอย่างไรความเป็นอยู่ของเขาพอมีกินมีใช้ไหมก่อนหน้าเราจะไปเชียงใหม่เราพักอยู่แถวน้ำโสมท่าบอท่านเล่าว่าสมัยนั้นเคยมีชาวบ้านมาหาและกราบเรียนว่าขอนิมนต์พระกุณเจ้าไปอยู่กับพวกกระผมไปตั้งหมู่บ้านใหม่ที่ดงนามีนายุงพวกกระผมจะไม่ให้ท่านพระอาจารย์อดอยากจะผลัดเปลี่ยนกันลงมาเอาสเสบียง ยุคนั้นเต็มไปด้วยป่าดงพงผีไข่ป่าเอ่ยอศรพิษเอ่ยเสื้อโครงลายพาากรอนเอ่ยพูดผีเอ่ยมีเป็นธรรมดาดวงตารูปนั้นถวายคำตอบว่าเดี๋ยวนี้เขาเป็นบ้านเป็นเมืองมีกินมีใช้แล้ววัดก็เป็นวัดโดยสมบูรณ์ผู้คนมีธรรมะเป็นประจำตั้งแต่นั้นมาท่านเล่าต่อไปว่าเอิดอะไรจึงมานิมนเขาเล่าว่า อย่างอื่นไม่กลัวกลัวแต่ผีอย่างเดียวธรรมดาสัตว์ป่าจะเป็นช้างหรือเสือกลัวไฟกับกลัวมนุษย์หากเห็นไฟและได้ยินเสียงมนุษย์มันจะหลีกหนีห่างออกไปแต่ผีนี่สิยิ่งแย่เหมือนยิ่งยุบเป็นตัวเป็นตนเหมือนคนห้อยถุงย่ามไว้มันมาปลดทิ้งมาข้าวไว้มันมาเททิ้งอยู่ใกล้ๆแต่ไม่เห็นตัว พวกเราติดไฟไว้มันเข้ามาเอาฟืนออกเราสัดฟืนใส่มันมันกลับสัดฟืนมาหาเรานี้ถ้าเราเฝ้าทับคนเดียวแต่พอมูกลับมามันก็หายเข้าป่าไปเป็นอยู่อย่างนี้ข อ, อนิมนต์ท่านพระอาจารย์ช่วยปราบผีด้วยท่านว่าเราก็แปลกใจเหมือนกันเพราะเหตุการณ์อย่างนี้ยังไม่เคยพบ ส่วนสัตว์นั้นไม่น่ากลัวติดไฟไว้จางก็ไม่เข้ามายิงช้างถ้ามีขวดเปล่าหรือกระบอกเล็กๆ เ, เป่าสัญญาณขึ้นแค่นั้นก็วิ่งจนเปล่าราพนาศูนย์ไปเลยเพราะมันสําคัญว่าเสียงสนัยของนายพรานช้างท่านพระอาจารย์มั่นปรึกษากับสิทธว่าใครจะไปปราบผีครั้งนี้พระอาจารย์อ่อนยานนสิริรับอาสา โดยชวนพระอาจารย์ฟันอาจาโรไปด้วยพร้อมด้วยพระสหาหจรสีรูปรวมเป็นหรูปก่อนออกเดินทางท่านพระอาจารย์เตือนสธิให้มีสติเจริญพระพุทธคุณและกรณียเมตตสูตรและกำหนดจิตเป็นปริมณฑลสามรอบใกล้ตัวและกำหนดให้ปริมณฑลห่างออกไปและห่างออกไปอีกกำหนดเจริญกาแพงเจ็ดชั้น ด้วยบทว่าพุทโธธรรมโมสังโฆเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาส่วนชาวบ้านให้เขาตั้งอยู่ในสรณะและศีลห้าก่อนนอนให้เจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณรันเดินทางไปถึงที่พักเห็นแต่ร่องรอยผีมารบกวนจัดสถานที่พักแล้ว นับแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผีพวกนั้นหายเข้าป่าไปเลยปกติท่านไม่เคยส่งเสริมในเรื่องนี้นอกจากมีเหตุสิทธิ์ส่วนมากจึงไม่ค่อยรู้เรื่อง